เทศบาลนครตรังเร่งหาวิธีกำจัดขยะเตรียมเปิดบ่อขยะเทศบาล20ธันวาคมนี้เมื่อเวลา 09.30 นวันที่11ธันวาคมที่ห้องประชุมอนเนกประสงค์ชนนั้น1เทศบาลนครตรังนายอภิชิตวินุไทยนายกเทศมนตรีนครตรังร่วมประชุมชี้แจง และรับฟังข้อเสนอแนการปรับปรุงระบบกาจัดขยะของเทศบาล น, นครตรังโดยมีนายชลัดสุรินรัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรัดกด็อเตอร์พรสีสุดนารักผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเก็ตสังกัดกระทรวงทรั พ, พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม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 เพื่อการก่อสร้างระบบกาจัดขยะแบบผสมผสานและระบบบำบัดน้ำเสียระยะสามเป็นผู้ให้ความรู้นายอภาชาติกล่าวว่าจับเทศบาล น, นครตรังมีความจำเป็นต้องปิดบอ่อขยะเพื่อจัดการปัญหาขยะตกค้างที่มีจำนวนมากจนล้นบอ่อขยะซึ่งได้ขอความร่วมมือกับหน่วย ง, งานองค์กรปกครองส่วน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 ยังกล่าวถึงการโครงการขยายผิวจราจรถนนสีตรังหนึ่งกำจัดขยะว่าที่ผ่านมาเทศบาล น, นครตรังได้ไปศึกษาดูงานดูแนวคิดและวิธีการในการกําจัดขยะจากหลายที่จึงนําเอาแนวคิดที่ได้มาปรับใช้เช่นวิธีการกําจัดขยะเก่าส่วนขยะใหม่ก็หาวิธีกําจัด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 ได้ตามปกติโดยน่าจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนนี้เป็นต้นไป